บทที่5การเดินทางไปสู่พรมแดนของภูมิที่ต่ำและสูงกว่าในการเดินทางไปเยี่ยมภูมิที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าเรานั้นมีข้อแตกต่างกันอยู่ประการหนึ่งคือเราจะเข้าไปสู่ภูมิที่สูงกว่าไม่ได้นอกจากจะได้รับอนุญาตพิเศษเป็นครั้งคราวหรือต้องเลื่อนสภาวะแห่งจิตของเราให้สูงขึ้นไปจนถึงขั้นนั้นเสียก่อน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 ยาวเหยียดออกไปสุดสายตาอาไม่ได้เลยพื้นที่ของโลกเราก็คงประกอบไปด้วยที่ลุ่มราบบ้างและภูเขาใหญ่น้อยบ้างเช่นเดียวกับในโลกมนุษย์นั่นเองนอกจากนั้นบรรยากาศของโลกเราก็แจ่มใส ย, ยิ่งกว่าโลกมนุษย์มากมายนะักสายตาของเราก็สามารถมองไปได้ไกลแสนไกลอันหนึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องถือเอาพื้นแผ่นดินเป็นหลักสาหรับรองรับเท้าของเรา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 เพราะการเปลี่ยนสภาพดังกล่าวนี้ค่อยๆกลมกลืนเข้าหากันทีละน้อยจนไม่สามารถหาเส้นหลักเขตแดนอันแน่นอนให้เห็นได้เหมือนกับเส้นเขตแดนของประเทศในโลกมนุษย์การเดินทางไปสู่ชายแดนของภูมิต่าเอ็ดวินจึงกล่าวชวนขึ้นว่าเพื่อพิสูจน์ให้เห็นความจริงข้อนี้ เราควรเดินทางไปดูปรากฏการ์ดังกล่าวนี้ด้วยตนเองซึ่งขพเจ้ากับรูทก็ตกลงทันทีในขั้นแรกเราได้ตกลงกันว่าจะลองไปทางด้านภูมิที่ต่ำกว่าเราดูก่อนเราได้มาปรากฏการอยู่บนทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เมห่มาเมื่อเดือนต่อไปก็รู้สึกว่าความอ่อนนุ่มของพื้นหญ้านั้นค่อยๆหายไปทุกทีคือยิ่งเดินทางไกลออกไป ก็จะรู้สึกว่าพื้นดินและหญ้าที่เราย่างเหยียบลงไปนั้นแข็งกระด้างยิ่งขึ้นความเขียวสดของพื้นหญ้าก็ลดน้อยลงเช่นเดียวกันและดูเป็นสีเหลืองซีดเพิ่มขึ้นทุกขณะและดูปรนหนึ่งซีดเพิ่มขึนทีกขึ้นอยู่บนสีเหลืองี่แขึ้นแล้งและ แ, กะแูกป็นสหืงซึดิ่งถู้กและดเผาอยู่ตลอดเลา่ะนั้นโดกรอะแริเป็นสีเหลกองซีดเ่ม้ดอกบ้าแดเนเรลือนทีดเยู่อาศันทุดูเป็นสงดเ สภาวะที่แวดล้อมยิ่งเพิ่มความว่างเปล่าเปลียวเร้ววังเวงชวนใจให้เศร้าสลดยิ่งขึ้นทุกย่างก้าวเราเหลียวมองไปดูรอบจนสุดสายตาแต่ก็หาวีแววของชีวิตไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือพืชสัตว์อย่างหนึ่งอย่างใดเพราะในบัดนี้แม้ต้นหญ้าที่เคยขึ้นอยู่รอมแรมเป็นสีเหลืองเกรียมดุดถูกแดดเผายางทาวดุนนั้นก็ไม่มีปรากฏให้เห็นอีกต่อไป เรากำลังเดินอยู่บนพื้นดินที่แข็งกระด้างอย่างที่ข้าพเจ้าไม่เคยประสบมาก่อนเลยนอกจากนั้นบรรยากาศโดยรอบก็เริ่มเยือกเย็ยนลงเป็นลำดับขับความอบอุ่นแทนเป็นลักษณะแห่งภูมิเก่าให้หายไปทุกทีบัด น, นี้รอบกายของเรามีแต่ความชื้นแฉะและเย็ยนยะเยือกจับหัวใจมันทำให้เราเริ่มรู้สึกหนาวสัน่นและหวั่นหวาดไปทั่วทั้งร่างกายและจิตใจอย่างอธิบายไม่ถูก รูดเกาะแขนเอ็ดวินไว้น่นสีหน้าและท่าทางของเธอบอกความตื่นตระหนกอย่างเห็นได้ชัดข้าพเจ้าเองก็รู้สึกว่าจะมีอาการไม่ดีไปกว่าเธอนักเพราะครู่หนึ่งต่อมาก็รู้สึกว่าหมดความเหนียวร่างใจต้องเกาะแขนเอ็ดวินไว้แน่นเช่นเดียวกันในที่สุดข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่ารูดเริ่มมีอาการสันสัณฐานไปทั่วร่างอย่างน่าสงสาร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 และเพื่อให้เป็นเครื่องเปรียบเทียบกันดูเพื่อให้ได้ความรู้อันสมบูรณ์ข้าพเจ้าจึงกล่าวแนะว่าเราควรจะลองไปดูหเห็นประจักษ์เกตาสักครั้งเอ็ดวิงกล่าวว่าเขาไม่มีข้อขัดข้องแล้วเราทั้งสมก็ออกเดินทางทันทีในขณะต่อมาเราก็ได้มาปรากฏกายอยู่บนพื้นหญ้าอ่น อ, อนนุ่มและเขียวขจีแตกต่างกันกับที่เราได้ประสบมาเมื่อสักครู่นี้ อย่างหาที่เปรียบมิได้ข้าพเจ้าไม่สามารถหาถ้อยคำบรรยายให้ถึงใจได้จริงๆว่าความเขียวอันสดชื่นนี้มีประมาณเพียงไรโดยรอบจะลายเห็นดอกไม้นาน า, นาพันธุ์อันชูช่อบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมตลบอบอวนในบรรยากาศก็แลดูคล้ายๆกับเป็นสีรุ้งทองล่องลอยและแทรกซึมเข้าไปให้พลังแห่งความสดชื่นทั้งแก่ร่างกายและจิตใจของพวกเราทั่วกัน ทางเบื้องหน้าและด้านข้างของพวกเรามีเคหาสถานปรากฏอยู่ระหว่างอุทยานอันน่ารื่นรมนี้บ้างห่างกันแต่เมื่อเราเหลียวมองไปข้างหลังก็หล่เห็นอาคารอันใหญ่โตระโหฐานและงดงามตั้งเด่นเรียงรายอยู่ในระยะไกลเอ็ดวินได้บอกกับเราว่าอาคารเหล่านั้นเป็นที่พำนักของท่านผู้มีจิตปราณีตด้วยคุณธรรมอันสูงพร้อมที่จะเลื่อนขึ้นไปอยู่ในภูมิอันสูงขึ้นไปกว่านี้แล้ว ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ทำงานติดต่อโดยใกล้ชิดกับท่านผู้อยู่ในภูมิที่สูงขึ้นไปและสามารถเข้าถึงภูมิอันพระนีธเหล่านั้นได้โดยไม่ลำบากและขัดข้องเหมือนอย่างพวกเราตรงข้ามกับความเยือกเย็นจนหนาวสะท้านและความหวัดหวันวิตกที่เราเด้ประสบมาเมื่อสักครู่ในบัดนี้เรารู้สึกมีความอบอุ่นและปิติแผ่าบซ่านไปทั่วร่างกายและจิตใจ อย่างที่ไม่เคยเป็นมาแต่ก่อนเลยเมื่อเราเดินต่อไปรู้สึกว่ารังสีของรุ้งทองนั้นได้ลูบไลาเอิบอาบอยู่รอบกายของเรามากขึ้นทำให้เรารู้สึกอย่างแจ่มชัดยิ่งกว่าคําบรรยายว่าความสุขสงบอันเกิดจากความปราณีตของจิตนั้นล้นค่ากว่าสมบัติพัสถานและความสุขอื่นใดทั้งสิน้นทำให้ข้าพเจ้าเกิดความตั้งใจอย่างแน่วแน่ ว, ว่าจะต้องภาคเพียรปฏิบัต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 ยิ่งเดินไกลออกไปก็รู้สึกเหมือนว่าอากาศจะเจือจางลงทุกขณะในที่สุดเราก็จําเป็นต้องหันหลังกลับมาสู่ภูมิของเราด้วยความอาลัยขากลับนี้เราต่างพากันรู้สึกว่าดูเหมือนตัวของเราจะเบาและลอยขึ้นอย่างประหลาดความอิมใจที่จะรับในครั้งนี้น่าจะฝังอยู่ในความทรงจำต่อไปอีกนาน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 ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปสู่ภูมิที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็ตามสำหรับการเดินทางไปสู่ภูมิต่ำลงไปนั้นจำเป็นที่ผู้เดินทางจะต้องมีเครื่องคุ้มกันตัวไปด้วยเครื่องคุ้มกันนี้อาจจะเป็นอำนาจบางอย่างหรือเครื่องหมายอันเป็นสั ญ, ญลักษณ์อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ที่จำเป็นในการนี้เอ็ดวินได้บอกแกเรา ว, ว่าเรื่องป้องกันเหล่านี้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 หรือผู้ที่คิดว่าจะไปเล่ น, ลนจะถูกเจ้าหน้าที่ผู้รักษาการอยู่ในบริเวณนั้นเชิญให้กลับเพราะท่าลวงลลําเข้าไปมากเกินไปก็อาจจะได้รับอันตรายได้ความจริงมีเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมากผ่านเข้าไปสู่ภูมินั้นบ้างและออกมาบ้างอยู่เสมอแม้ว่าจะไม่เห็นผู้หนึ่งผู้ใดอยู่ใกล้กับเราในบริเวณนั้นเลยก็ตามทั้งนี้เพราะท่านเหล่านั้น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 อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ที่จําเป็นแก่การนี้ซึ่งจะทําให้ผู้เดินทางหายจากความอึดอัดอันจะเกิดขึ้นจากสภาวะต่างๆที่ผิดแผกไปจากในภูมิของตนนอกจากนั้นยังจะได้รับความช่วยเหลือแนะนําต่างๆที่จําเป็นจากท่านผู้อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปเหล่านั้นอีกด้วยอันที่จริงบรรยากาศอันละเอียดประณีต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 มีความฝ้าฟางเช่นนั้นตลอดไปจนกว่าจะได้ถอยลงไปสู่ชั้นภูมิของตนทั้งนี้ก็เป็นไปโดยกฎธรรมชาตินั่นเองเพราะสถานที่เหล่านี้มิใช่มีไว้สำหรับให้ไปเที่ยวเล่นแต่เป็นที่ที่เราจะเข้าถึงได้ด้วยความภาคเพียรทางจิตเท่านั้นอาในบางครั้งท่านผู้ที่อยู่ในภูมิที่สูงขึ้นไปเหล่านั้นต้องการพบปากกับเราท่านก็อาจมาเยี่ยมเย็ยนเราได้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 เราก็อาจจะต้องรอโอกาสเหมาะกว่านี้สักหน่อยเราอาจต้องรอปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของภูมินั้นๆด้วยก็ได้หมายเหตุเพิ่มเติมจากผู้บันทึกเสียงสําหรับคำว่าเจ้าหน้าที่ขอให้ลืมความหมายแบบโลกมนุษย์ไปก่อนนะครับเพราะการทำงานรับอาส า, าทำหน้าที่ไดในโลกทิพนั้น ส่วนใหญ่คือเกิดจากจิตที่อยากทําเองไม่มีใครบังคับอาจเป็นได้ทั้งท่านเต็มใจไปอยู่เพื่อช่วยผู้ผ่านไปมาและเพื่อช่วยเหลือคนในอภัยภูมิคมภีร์ทางพุทธกล่าวถึงเปรดประเภทหนึ่งไว้ที่ถือว่าเป็นเปรดชั้นสูงเช่นที่มีชื่อว่าเวมานิกเ e ปรดเปรดยู่วิมานที่ท่านจัดว่าเป็นเทวดาประเภทหนึ่งได้เหมือนกันคือจะได้สวัยสุขและทุกข์สลับกันไปบางต้นข้างรามเสวัยทุกขข้างขึ้นสวัยสุข บางตนกลางคืนสวยสุขกลางวันสวยทุกเวลาสวยสุขอยู่ในวิมานมีร่างเป็นทิพย์สวยงามเวลาจะสวยทุกต้องออกจากวิมานไปและร่างกายก็กลายเป็นนาคเกลียดนากลัวซึ่งเป็นผลจากบุญบาปที่สลับกันให้ผลข้อสันนิษฐานก็คือเจ้าหน้าที่ในการมาอยู่รักษาเขตแดนในอบายภูมิส่วนหนึ่งอาจเป็นเปรดในกลุ่มนี้หรือในระดับใกล้เคียงกันนี้ก็ได้นะครับ ที่อาจจะมาทําหน้าที่เพราะอยากทําดีแก้ตัวเพราะเห็นคุณโทษของบาปบุญที่ได้เจอกับตัวเองชัดอยู่ทุกวันตัวอย่างเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ในนรกคือเรื่องนายนิรยาบาลที่คัมภีร์ฝ่ายพุทธอธิบายว่าเป็นเปรตประเภทหนึ่งเช่นกันมีหน้าที่คอยลงโทษสัตว์นรกมาเกิดได้เพราะอํานาจแห่งความเป็นผู้มักโกรธมีบาปแต่ก็ยังไม่ถึงต้องเป็นสัตว์นรกมีบุญแต่ก็ไม่มากพอจะถึงสวรรค์ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะจิตที่ฝั่งใจมีความพอใจในการลงโทษคนผิดหรือสะใจที่ได้ทรมานนักโทษจึงต้องมาเกิดอยู่ร่วมกับสัตว์นรกได้สนองความต้องการที่อยากทําจนสมใจท่านว่าบางทีสัตว์นรกก็มีกรรมลงโทษตนเองได้นะครับแต่เกิดมีนานิริยบาลที่เป็นคนมาเกิดแบบนี้นั้นก็กรรมสัมพันธ์ดึงมาให้เกิดให้เป็นตามกําลังแห่งจิตด้วยแรงปรารถนาของเขาเองไม่มีใครบังคับไม่มีใครสั่ง มาเองด้วยใจอยากหรือตัณหาของเขาเองล้วนๆนิสัยที่ติดมาจากตอนเป็นมนุษย์การสาสใจต้องการเห็นคนผิดได้รับโทษแรงที่สุดต้องการลงโทษคนผิดด้วยตัวเองดูข่าวทุกวันเห็นคนชั่วที่ไรอยากไปกระทืบเองให้หน้ำใจเมื่อตายไปอุษอนผลบุญที่มีอยู่บ้างจึงจัดสรรให้ตามต้องการได้เช่นกันนะครับเพื่อได้ลงโทษได้ทําร้ายให้สมใจอยาก และยิ่งวันก็อาจติดความสาหใจในการทําร้ายคนอื่นจนเคยชินเกิดมาเห็นใครทําผิดเล็กน้อยอาจชินที่ต้องลงโทษรุนแรงจนลามไปถึงการทําร้ายการถึงแก่ชีวิตได้โดยง่ายกลายเป็นสร้างบาปใหญ่ดึงให้ตกไปเป็นสรรโรกได้ในที่สุดเรื่องนี้เป็นตัวอย่างให้พวกเราได้เห็นนะครับว่าอย่าประมาทในมโนกรรมการสาปแช่งอยากทําร้ายคนทําผิดที่เห็นในข่าวทุกวันอักสะสมไว้เหนียวแน่นและไม่มีบุญด้านอื่นมากพอ ตายเมื่อไรท่านอาจได้ไปลงโทษคนทำผิดในโนโรกอย่างสมใจและส่งผลเสียให้ตัวเองได้มากมายในเวลาต่อมาดังที่กล่าวมาก็อาจเป็นไปได้นะครับเรื่องนานิรยาบาลเป็นเปรตทำไมจึงไปอยู่ในโนโรกได้นั้นมีคำตอบว่าในโลกยังมีเด ร, รชาอยู่บนกับคนยังมีเทวดามาขอฟังธรรมหรือเทวดาก็ยังไปช่วยในอบายภูมิได้ ดังนั้นการที่เปรตบางจำพวกไปอยู่ร่วมกับสัตว์นรกได้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับสำหรับเรื่องนี้ต้องย้ำเสมอนะครับว่าพวกภูมิในระดับนี้มีความคิดและสภาพแทบไม่ต่างกับมนุษย์มีการอยู่รวมกันเป็นสังคมและทำกิจกรรมคล้ายกับมนุษย์จึงเป็นธรรมดาที่จะต้องมีผู้ทำหน้าที่ต่างๆตามที่จำเป็นการเป็นผู้ปกครองไม่มีใครเลือกหรือแต่งตั้งหรือถูกบังคับให้อยู่ใต้อานาจ แต่เป็นภาวะของจิตที่รู้กันเองว่าใครมีคุณธรรมเหนือกว่าซึ่งจะยอมรับกันเองตามธรรมชาติยกตัวอย่างนะครับถ้าเราเป็นคนดีหรือปฏิบัติธรรมจนดูจิตเห็นตามจริงยิ่งถึงขั้นเห็นกระแสะพลังกุศลที่แผ่ออกมาได้ด้วยจะเกิดความเคารพในผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่าอย่างนอบน้อมโดยไม่ต้องบังคับเป็นการเคารพกันด้วยธรรมจะเลื่อมสายศรัทธาอยากทาอะไรท่านอย่างเต็มใจไปโดยอัตโนมัตินะครับ เรื่องของวัตถุป้องกันอันตรายในการเดินทางไปพบอื่นนั้นก็ต้องเข้าใจว่าพลังจิตเป็นพลังงานที่มีอยู่จริงและถ่ายทอดลงวัตถุตได้ซึ่งในโลกมนุษย์นี้ก็มีงานทดลองตรวจสอบผลึกน้ําของญี่ปุ่นภายหลังมีคนไทยก็มาทดสอบด้วยเช่นกันนะครับด้วยการนิมนต์พระกรรมฐานที่ปฏิบัติ ด, ดีจเจริญพุทธมนต์แล้วตรวจสอบน้ําที่ได้พบว่ามีความแตกต่างชัดเจนคนธรรมดากับพระปฏิบัติเปล่งเสียงออกมา จะส่งผลตอล่อโมเลกุลของน้ําต่างกันถึงพิสูจน์ได้ระดับหนึ่งว่าพลังจิตถ่ายทอดสู่วัตถุได้และจะตกค้างในวัตถุได้นานแค่ไหนก็แตกต่างไปตามพลังจิตของแต่ละคนด้วยและที่ชัดก็คือการเปล่งเสียงด้วยจิตเป็นกุศลผลึกน้ําที่ได้มีรูปร่างสวยงามต่างจากการเปล่งเสียงด้วยจิตที่เป็นอกุศลอย่างชัดเจนในสวรรค์ที่ยังยึดติดกับวัตถุอยู่นั้นยังมีการใช้ชีวิตไม่ต่างจากมนุษย์ ยังมีบ้านมีหนังสือมีอุปกรณ์ต่างๆแล้วจะแปลกอะไรใช่ไหมครับถ้าจะมีวัตถุที่เป็นตัวแทนให้จับต้องได้เพื่อใช้ถ่ายเท พ, พลังงานลงไปเพื่อไว้แพ้กระแสะคุ้มกันจากพลังงานตรงข้ามหรือเพื่อเชื่อมพลังงานที่ต่างกันให้ใกล้เคียงกันในกลุ่มที่มีความยึดติดในวัตถุอยู่มากการเนรมิตวัตถุให้จับต้องได้จึงจูงจิตให้น้อมตามได้ง่ายขึ้นการยึดติดในวัตถุนั้นมีตัวอย่างเช่น คนตายฝั่งใจว่าเมื่อมีคนทำบุญให้ต้องกรวดน้ําที่ต้องเทน้าเท่านั้นเขาถึงจะได้รับบุญพอคนกรวดแห้งให้เขาก็จะรู้สึกว่ายังไม่ได้รับทั้งๆที่แค่อนุมโมทนาก็ได้รับบุญแล้วคือบุญเกิดที่ใจแล้วเพียงแค่ร่วมยินดีในบุญนั้นถ้าเข้าใจเรื่องในโลกทิพย์ดีพอก็จะเข้าใจว่าการอนุโมทนานั้นเป็นบุญได้ง่ายกว่าที่คิดและมีอานิสงส์มากแค่ไหน ดังนั้นการฝึกอนุโมทนาในความดีคนอื่นจึงเป็นประโยชน์มากทั้งในชีวิตนี้ก็ถือว่าได้บุญฟรีเป็นกุศลจิตเกิดขึ้นในใจทันทีเมื่อตายไปแล้วก็รับบุญเพิ่มบุญให้ตัวเองได้ง่ายทุกครั้งที่เห็นคนทาดียังเป็นวิบากดีที่ติดตัวให้น้อมใจอยากทําดีด้วยตัวเองได้ง่ายขึ้นจิตที่ผ่องใสเป็นกุศลสาคัญมากในโลกทิพย์การฝึกอนุโมทนาจนเคยชินจึงมีผลดีหลังความตายอย่างมาก ซึ่งเป็นพบที่หาโอกาสทำบุญแบบมนุษย์ได้ยากนั่นเอง